50 languages. ห้าสิบแปดอายุตั้งโดิฉันวาดรูปผู้ชายน้าลูกบ้ากัน เริ่มจากศีสะก่อนโมเดลิกทะเลผู้ชายสวมหมวกอ้ามนุษย์วันดูทอปิยันโนหกักคคนดิดดานมองไม่เห็นเส้นผมอาชนาคูดลูกา ล, ลูการีสุบุดิลลมองไม่เห็นหูด้วยเอาชนะคิวิกลูสห์การีสุุดิลล มองไม่เห็นหลังด้วยอานาะเบ น, นุสห์คานิสุดิละ่าดิฉันกำลังว่าตาและปากนานุพนุกันนุนมัตตุบายยนุบริยุตติเดเนผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะอ้ามนุษย์นัตติสุตติดดเนมัตตุนกุติดดเน ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวอวนุวุฒวาดามูกันโน่หนดิดดานเเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาเอาน่ไกลล่กระดิ่งลีวุ่นดูโคลันโน่หิ ด, ดิดดาเเขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยอาโน่ขุด ต, ติเกียสุตตาวุ่นดูคันท้าวสตรวั a โน่คัดติคอนดิา มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นอีก็ชลีกาลามัตตูทันดีอิเดเแขนแข็งแรงไก่ก็ดูศักดิ์สิทตาวากเวขาก็แข็งแรงด้วยกาลูกลดูสหศักดิ์ยิทธิ์ตาวากเวผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะยีมนุษย์ช มันจินินดาหมาดลพัตติดาเนแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมเขน่ชาราอีัฒวาโคตันโน่ดิริศิลลแต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นอาดั่ร์อนฉลียกฤตดินดาเสเดยุบุดิลลเขาคือตุกตาหิมะอขาโน่มันจีน่มนุษย